เทขาว่าตามความจริงความเป็นจริงเรียกว่าความเป็นจริงด้านกายภาพวันนี้กับพรุ่งนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยก็เหมือนกับเมื่อวานกับวันนี้นะอากาศก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากอุณหภูมิก็ประมาณเท่าๆเดิมพระอาทิตย์ตกก็เวลาเดิมนะ ส่วนพระจันท์นี่อาจจะขึ้นช้าหน่อยนะอันนี้พูดถึงความติงแป้งกายภาพก็อย่างที่บอกนะวันนี้กับพรุ่งนี้มันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยแต่สำหรับความรู้สึกของผู้คนเรียกว่าทั่วทั้งโลกก็ได้มันแตกต่างกันมากนะวันนี้คือวันสุดท้ายของปี หลังจากที่ได้อยู่กับมันมา365วันก็จะอำลาสัก ท, ทีแล้วก็จะได้เริ่มต้นปีใหม่้คนเราเนี่ยธรรมชาติก็ชอบของใหม่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็มีความยินดีมีความดีใจมันเป็นวันที่ แตกต่างกันอย่างมากทีเดียวนะในความรู้สึก ข, ของผู้ค น, นเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสาหรับผู้คนจานวนมากและเมื่อเป็นช่วงเวลาที่พิเศษก็อยากจะทําอะไรที่มันพิเศษซึ่งก็หมายถึงการทําสิ่งที่ตัวเองคิดว่า ด, ดีสําหรับชีวิตของตัว คนส่วนใหญ่ก็คิดว่าช่วงเวลาพิพเศษนี่คือช่วงเวลาที่เราจะได้ตักตวงความสุขแสวงหาความสุขและความสุขที่ผู้คนนึกถึงก็คือความสุขสนานร่าเริงการได้กินการได้ดื่มการได้เที่ยวยอันนี้ก็เกิดขึ้นทั่วไปนะ แม้กระทั่งไม่ไกลจยยากที่นี่นะไม่ถึงร้อเมตรนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นน ะ, ะทั่วทั้งโลกนะช่วงเวลาที่พิเศษก็อยากจะหาความสุขสนุกสนานความรื่นเริงเพราถือว่านี่คือสิ่งที่ชีวิตต้องการที่จริงพวกเราที่มาที่นี่นะก็เชื่อว่าก็ปรารถนาความสุขเหมือนกันนะ เราก็ใช้เวลาช่วงพิเศษนี้มาที่นี่นะแทนที่จะอยู่บ้างก็เพราะว่าเราอยากจะทําสิ่งดีๆนะหรือประสบสิ่งดีๆสําหรับช่วงเวลาที่พิเศษอย่างนี้นะซึ่งดีสิ่งดีๆที่เราปรารถนาคือก็คือความสุขเหมือนกันนะแต่เป็นความสุขคนละแบบนะ มันเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบที่นี่เรามาแสวงหาความสงบแต่ว่าข้างนอกนี่เขาแสวงหาความสนุกนซึ่งมันก็มีรถมีชาบมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดคนทั้งโลกให้มาแสวงหาตามแต่วิธีทางของแต่ละคนบางคนก็ขึ้นเขาบางคนก็ลงทะเลบางคนก็เข้าป่าเข้าบาร์แล้วบางคนก็จัดงานเลี้ยงฉลองนะ ยังนึกนะตอนที่ตัวเองเป็นเด็กๆในยอายุสักสิบสองสบสามเนี่ยก็มีครูท่านหนึ่งครูสอนภาษาไทยนะท่านก็บอกอายุสักท่านก็สี่สบห้าิบแล้วท่านก็บอกวันปีใหม่นะฉันก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากอยู่บ้านไม่ได้คิดจะไปสุขสนานรื่นเริงให้เราสูรว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เขาเป็นเรื่องที่เรียกว่าทําได้ยากนะหรือว่าไม่เข้าท่าก็ได้นะไม่มีสเสน่ห์เลยนะ ถ้าตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นคิดแต่ว่าเออถ้าปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะก็ก็ต้องฉลองกันนะที่บ้านก็พาไปกินเลี้ยงโต้รุ่งนะตอนนี้สิบสองสิบสาพอพอโตขึ้นอีกหน่อยนะก็เที่ยวเองละเที่ยวกับเพื่อนปีใหม่ก็ต้องดูหนังโต้รุ่งนะดูหนังข้ามปีนะ นั่นก็นมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันต้องแบบนี้สีนะนะฉะลองปีใหม่ไอ้ที่อาเพทอยู่บ้านนะหรือว่าใช้ชีวิตตามปกตนะิมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้สึกว่าจะมีรสมีชาติอะไรเลยหรือไม่่ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำแม้กระทั่งตอ น, น, นอายุยี่สิบกว่าแล้ว2ีนะ่บห้าแล้วเคยไปเยี่ยมุ่นพี่ที่บวชนะพระประชานะตอ น, น, นอยู่ภุมเรียงส่วนโม แล้วก็นึกภาพว่าตอนวันส่งท้ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่ท่านก็อยู่วัดอย่างนั้นวัดป่าเรียบเงียบเงีย บ, ร, ย บ, ร, ยบรู้สึกว่าตอนนั้นจินตนาการมันคงน่าเบื่อนะมันควรเป็นเวลาที่เราจะได้ไปเที่ยวทำอะไรพิเศษเป็นของขวัญรางวันให้กับตัวเอง ยางนึกไม่ออกว่าอยู่อย่างนั้นมันจะมีความสุขได้อย่างไรแต่พอเราได้บวชแล้วก็ได้ได้ปฏิบัติแล้วก็ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็พบว่าอยู่อย่างนั้นมันก็มีความสุขนะไม่ใช่น้อยนะเพียงแต่เป็นความสุขคนละแบบนะมันไม่ใช่เป็นความสนุกนะแต่เป็นความสงบนะก็เลยเข้าใจนะที่ครูท่านนั้นครูสอนภาร า, าไทยท่าน บอกว่าปีใหม่ไม่ไปไหนหรอกนะก็อยู่บ้านนะมันก็เป็นความสุขนะเป็นความสงบด้วยถ้าพวกเราคงเหมือนกันน ะ, ะการที่เราเลือกที่จะมาที่นี่นะแทนที่จะไปะไปเที่ยวไปสนุกสนานนะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยทำมาตั้งแต่เล็กก็ได้ เพราพราะพบว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชี้ต้องการความสุขที่แท้จริงหรือความสุขที่ยิ่งกว่าความสนุกก็คือความสงบใช้โอกาสนี้นะก่อนที่มันจะสิ้นปีมาอยู่วัดทําความสงบมจเจริญสติหรือว่าได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ในช่วงเวลาที่เป็นช่วงวันศุกด็กนะเราก็ก็อยากจะมา สดมนนะเด๋ยวนี้สวนมนข้ามปีเป็นสิ่งที่ทากันแพร่หลายย้อนถอยหลังกลับไปเมื่อห้าหปีก่อนนี่คงนึกไม่ออกนะว่าคนจะนิยมสดมนข้ามปีกันก็มีแต่ดูหนังข้ามปีเลี้ยงฉลองข้ามปีนะหรือว่ า, าไปกลางเต้นค้างแรมในป่าข้ามปี แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่ทำกันอย่างเรียกว่าทั่วไปหรือกลายเป็นธรรมดาไปแนละ้วแต่ก่อนในกรุงเทพก็มีไม่กี่แห่งนะที่จัดสดมนุ์ข้ามปีต้องใช้วิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องเอาหนังมาล่อนะเอหนังมาล่อมาเอาความสุขสนานมาเพื่อคนมาสดมนุ์ข้ามปีที่สนามหลวงอันนี้เมื่อ3าปีก่อน แต่ตอนนี้นะวัดต่างๆก็ทำกันเรียกว่าถึงแม้เรียกว่าจะแทบทุกวัดแล้มั้งในกรุงเทพนะเพราะว่าญาติโยมก็อยากจะมาใช้เวลาที่พิเศษนี้ทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วก็เป็นสิ่งดีๆในความหมายทางธรรมอันนี้มาจจะสะท้อนถึงความดึดมุ่งหมายของชีวิตก็ได้นะคนที่คิดว่า ชีวิตที่ดีงานชื่นชมปรารถนาคือชีวิตที่มีความสุขมีความสําเร็จมีความสนุกสนานเขาก็เลือกฉลองปีใหม่แบบหนึ่งคนที่คิดว่าจุดหมายชีวิตก็คือความสงบนะเป็นความสุขทางใจก็เลือกนะส่งท้ายปีก่าฉลองปีใหม่อีกแบบหนึ่งซึ่งก็สะท้อนภาพอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ขนาดนี้ก็ได้นะ อี่ปามายเขาก็ฉลองแบบหนึ่งพวกเราในวัดก็ฉลองแบบหนึ่งอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเกี่ยวกับชีวิตและความสุขนะที่พึงปรารถนาในความความความสุขแบบโลกโลกเช่นความสุขสนานมันต้องอาศัยเงิน ตองอาศัยเงินต้องอาศัยทรัพย์สินเงินทองนี่สนุกได้แต่ว่าความสุขทางใจเนี่ยไอ้เงินไม่ใช่เรื่องสําคัญสิ่งสำคัญขขคือธรรมะธรรมะเนี่ยช่วยทําให้เกิดความสงบเย็นในจิตใจซึ่งเป็นความสุขอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าในสุขอื่นนี่ความสงบไม่มีธรรมะเนี่ยช่วยทําให้ใจสงบอย่างแท้จริงหรือทำให้ความเกิดเป็นสุขอย่าง อันประเสริฐอย่างที่เมื่อกี้เราสวดกันเน่นนะรมย่อมคุ้มครองเพื่อประพฤติธรรมการปร ะ, ประพฤติการประพฤติธรรมนะย่อมนำสุขมาให้นะสุขที่วานีคือความสุขทางใจนะที่ยังอาจจะรมถึงความสุขทางโลกก็ได้นะเช่นถ้ามีความซื่อสัตย์มีความขยันนะแล้วก็ใช้สติใช้ปัญญา รู้จักพอรู้จักสันโดษพอใจในสิ่งที่มีในสิ่งที่ได้ไม่ฟุ่มเฟือยนก็เกิดความสำเร็จทางโลกเหมือนกันนะเป็นความสุขแต่ว่าธรรมะเนี่ยให้ประโยชน์ยิ่งกว่า น, นั้นนะมันเป็นความความสุขความสงบทางใจด้วยนะซึ่งประเสริฐนะเพราะว่าไม่มีใครขโมยได้ไม่มีใครเอาไปได้และการที่เรามาเลือกมาสวดมนต์ข้ามปีกันนะ มันก็ก็เพื่อที่จะให้เราได้ระ ล, ลึกถึงนะพระพุทธธรรมประสงค์มันก็มีนะบางคนอาจจะส่วนมากก็ได้นะหรือที่ส่วนอนข้ามปีก็เพาะหวังว่าจะได้เกิดสิริมงคลหรือว่าเกิดผลในทางอิทธิฤทธิ์นะที่จะบรรดาให้มีโชคมีลาบนะ อันนี้ก็ก็คงเป็นความมุ่งหมายของหลายคนนะที่มาสวมดมนต์ข้ามปีแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะควรจะมุ่งหมายมากกว่านะก็คือว่าเพื่อเตือนใจให้เราไนะด้รู้ถึงพระพุทธธรรมพระสงค์เพื่อได้เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยที่มั่นคงแน่นแฟน้น เพื่อว่าเราจะได้มีกําลังมีความเพียรในการทําความดีในการประพฤติ ธ, ธรรมนะและเพื่อให้เราเนี่ยนะได้ดําเนินเชีวิตเราให้ถูกต้องนะตามธรรมเพราะธรรเนี่ยนะอย่างที่บอกไว้แล้วนะอย่างที่เราสอนมาสักครู่เนี่ยธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนําสุขมาให้ตนธรรมที่ประพฤติดีแล้วเนี่ยก็คือธรรมที่ เราปฏิบัติด้วยความเข้าใจด้วยความศรัทธาในพระรัตนตรยัยการสวดมน์ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นรูปแบบหรือว่าเป็นสัญลักษณ์นะแล้วก็โดยตัวมันเองก็มีเนื้อหาสาระนะที่จะช่วยทำให้เรานะมีศรัทธาในพระรัตนตรัยมากขึ้น นอกจากเพื่อที่จะได้ทำความดีปฏิบัติธรรมไปตลอดทั้งปีแล้วเนี่ยก็ยังเพื่อเตือนใจให้เราระลึลกถึงธรรมะเวลาประสบอุปสรรคความยากลำบาก เ, เวลามีอะไรมากระทบไม่ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นเป็นถ้อยคำหรือการกระทําของผู้คนรอบข้างเป็นดินฟ้าอากาศเป็นเหตุการณ์บ้านเมือง เป็นภาวะเศรษฐกิจเคน เ, เวลาเวลามีอะไรมากระทบนะแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยบางทีก็นึกหาทางออกแบบง่ายๆเช่นตอบโต้ไปตามอารมณ์เขาด่ามาก็ด่ากลับนะหรือว่าถ้ามีความกัดกุ้มใจก็ไปหาเล่าหาอบยมุกหรืออย่างน้อยๆก็อย่างต่ตางๆก็ไปนะ ไปเที่ยวสนุกสนานให้มันลืมความทุกข์ความกวนชั่วคราวนั่นมันก็ดีอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่านะั้นคือการใช้ธรรมะนะถ้าเราเรารึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ก็ทําให้เกิดเป็นการเตือนสติเตือนใจตัวเองว่าเนี่ยเราจะลองใช้ธรรมะแก้ดูนะใช้ธรรมะไม่ใช่แค่ตั้งมันอยู่ในศีลเท่านั้ น, น, นแต่ว่าต้องอาศัยสิ่งที่ลึกไปกว่านั้นนะ สติเช่นสมาธิเช่นปัญญาเพราะว่าความทุกข์เนี่ยนะคนอื่นทําให้เราไม่ได้หรอกนะคนนี้นไม่สามารถจะยัดเยใหย้ก่าเราได้มันมีแต่มีแต่เราเองมีแต่ใจของเรานะที่วางไว้ไม่ถูกแล้วใจที่วางไว้ไม่ถูกคือใจที่มันไม่มีสติไม่มีสมาธิมีปัญญานั่นแหละก็<ค><อ>เลยไปแบกทุกข์เอาไว้ก็<ค><อ>เลยเอาทุกข์นี้มาตอกย้ําซ้ําเติมตัวเองถ้าเรามีสติ รู้ตัวมันก็จะวางทุกข์ไดเจ้าระ ม, มีปัญญามันไม่เพียงแตแค่ปล่อยวางนะสิ่งที่ปล่อยวางความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูที่มันถูกกระทบกระแทกจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่มันยังทําให้เราเนี่ยรู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้จากเหตุร้ายเหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยพรนะพุทธเจ้าตรัสไว้นะว่าเคยสอนพันนาค นันทิยะว่าเนี่ยผู้ที่รู้จักหาประโยชน์จากอิทธารลมและอ น, นิถารลมอิทธารลมคือเหตุการณ์ดีๆอ น, นิถารลมคือเหตุการณ์ที่ไม่ดีเหตุการณ์แย่ๆผู้ที่ใช้ประโยชน์จากมันได้เนี่ยพระเจ้าสันเสริเป็นบัณฑิตนะไอเหตุการณ์ต่างๆเราคุมมันได้น้อยมากนะแต่เราเลือกได้ว่าเราจะทุกข์เพราะมันหรือไม่หรือเราจะใช้มันให้เกิดประโยชน์เกิดสุขได้อย่างไรอันนี้อยู่ใน วิธีที่เราเลือกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรานะให้เราวางจิตวางใจดีนะเมื่อเราจะมาสวดมนต์ข้ามปนะีที่จะทำกันในคืนนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องสมัครใจนะไม่ได้บังคับนะใครที่มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำความเพียรหรือว่าทำสิ่งดีๆให้กับตัวเอง เพเป็นสริมงคลหรือเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตนะเป็นนิวิตหมายที่ดีของชีวิตนะหรือเพื่อย้ําเตือนให้เรามั่นคงในธรรมนี่ก็ก็เชิญได้นะโดยการาแล้วก็โดยการตั้งจุดมุ่งหมายยุทศาสตร์ของมันให้ให้ให้ถูกนะก็เดี๋ยวพูดเท่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปแสดงธรรมที่สุกัโตนะก็ยุติเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย มาเจอในทีหาทุ่มครึ่งใครที่สนใจก็ทำได้นะใครจะใครจะนอนพักเอาแรงก็ตื่นขึ้นมาตอนห้าทุ่มก็ได้หรือจะทำความเคียนไปก็ได้หรือว่าจะทำอะไรที่เป็นกิส่วนตัวแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งก็มาพบกันแล้วก็เราจะสวดมนตรนะ์รับปีใหม่แล้วก็ มาทำวัดเช้าก<ช>ันอีกทีเท่านี้แหละ